สวรรค์นในคําสอนของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเทวดาเรื่องเทวดานี้มีเล่าไว้ในที่ต่างๆมากแห่งด้วยกันมีที่อยู่และชั้นต่างๆกันมากน่าจะเก็บมาจากคติความเชื่อเก่าก่อนพระพุทธศาสนาเก็บมาเล่าโดยตรงบ้าง แต่แปลงแก้ไขให้เข้าหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาบ้างดังเรื่องสวรรค์หกชั้นที่จะกล่าวต่อไปคือชั้นจาตุ ม, มหาราชิกชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมาน ร, รดีชั้นปรนิมมิตวสวดีคำว่าเทวะแปละวะ่าผู้เล่นหมายถึงเล่นทิพยกีลาต่างๆเป็นสุขเพลิดเพลินอยู่โดยไม่บกพร่อง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 กายที่ไม่ปรากฏเกตตาคนสัตว์นรกและเปรตอสวรกายโดยมากก็เป็นจำพวกอุปาติกาตเหมือนกันในเทวภูมิปริบณ์ด้วยความสุขอายุก็ยืนยาวแก่เจ็บไม่ปรากฏตายก็ไม่ปรากฏซากจึงเห็นทุกข์ได้ยากผู้ที่เกิดเป็นเทพมักเสวยสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีแสดงไว้ว่าได้เคยมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ฟังทรในบางครั้งบางคราวมักจะมาเฝ้าในเวลากลางคืนดึกๆสวรรค์ชั้นจาตุ ม, มหาราชิก่อนที่จะกล่าวถึงสวรรค์หกชั้นนี้น่าจะนึกถึงลักษณะของจักรวาลคือโลกที่มีเขาิเนรุเป็นแกนกลางมีเขาสตตะบริพันต์คือเขาล้อมรอบเจ็ดชั้นซึ่งมีสีทันดอมมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่าง ตั้งเป็นรูปร่างขึ้นไว้ก่อนภูมิสวรรค์อยู่พ้นทวีปทั้งหลายซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์เช่นชมภูทวีปซึ่งมีอินเดียเป็นศูนย์กลางจึงอยู่พ้นป่าหิมพานพ้นภูเขาหิมะวันตะหรือหิมาลัยพ้นมหาสมุทรแห่งทวีปทั้งปวงแล้วถึงภูเขาสตตะบริพันธ์ตั้งต้นแต่ภูเขาสุทัศนะจนถึงภูเขา อัสก น, นะจึงเป็นอันถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเพราะยอดเขาสัตตบริพันเหล่านี้เองเป็นที่อยู่ของท้ามหาราชสีองค์กับบริวานนับเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าจาตุมมหาราชิกท้ามหาราชสีองค์นี้แบ่งกันครอบครองดังนี้ด้านทิศตะวันออกของเขาสินเนรุเป็นที่อยู่ของท้าทต ร, รัฐ มีพวกคนทันเป็นบริวารคือถัดออกไปเป็นบุพะวิเทหทวีปด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของท้าววิรุนหกมีพวกกลุ่มพันธุ์เป็นบริวารคือถัดออกไปเป็นชมพูทวีป พ, พวกกลุมพันธุ์นี้ท่านอธิบายว่าได้แก่ทานพรากศกด้านทิศตะวันตกของเขาซิเนรุเป็นที่อยู่ของท้าววิรูปะ มีพวกนาคเป็นบริวารคือถัดออกไปเป็นอมระโคยานทวีด้านทิศเหนือของเขาซิเนรุเป็นที่อยู่ของเท้ากูเวนมีพวกยักษ์เป็นบริวารคือถัดออกไปเป็นอุตรกุรุทวีปท้ามหาราชทั้งสครองอยู่สี่ทิศของเขาซิเนรุมีกล่าวถึงในอาตานาติยสูตรหน้าที่ของท้ามหาราชทั้งสี่ และบริวารตามที่กล่าวไว้คือเป็นผู้รักษาด่านหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อป้องกันพวกอสูรซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึงจะยกขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์ชั้นนั้นแต่ในสุตตันตปิฎกติกานิบาตได้มีแสดงหน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์อีกด้วยแสดงเป็นพระพุทธภาษิตมีความว่าในวันแปดค่ำแห่งปัก อำมาดบริษัทของท้ามหาราทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกในวัน14บ่คาำแห่งปักบรุษทั้งหลายของท้ามหาราทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกในวันส5คห้า่ำแห่งปักท้ามหาราทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกเองว่าพวกมนุษย์พากันบำรุงมารดาบิดาบำรุงสมณพราหม์เคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลรักษาอุโบสถ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 มีบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นเป็นจำนวนมากก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงเหมือนอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงก็พากันมีใจชื่นบานว่าทิพยากายจะเพิ่มพูนอสุรากายจากลดถอยเรื่องนี้แสดงสอดคล้องกับลัทธิที่ว่าถามหาราชทั้งสมีหน้าที่เป็นจตุโลกบาลคือเป็นผู้คุ้มครองโลกทั้งสี่ทิศตามที่เชื่อถือกันมาเก่าก่อนพระพุทธศาสนา แต่เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกไว้สองข้อคือหิริความละอายใจที่จะทําชั่วโอตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วเพราะเหตุนี้จึงไม่กล่าวให้ท้ามหาราชทั้งสี่ทำหน้าที่คุ้มครองโลกโดยตรงจะไม่กล่าวถึงเลยก็จะขัดขวางต่อความเชื่อของคนทั้งหลายจนเกินไปจึงกล่าวเปลี่ยน ไปให้มีหน้าที่เที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ว่าได้พากันทำดีมากน้อยอย่างไรแล้วก็นำไปรายงานพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นนั้นได้รับรายงานแล้วก็เพียงแต่มีใจชื่นบานหรือไม่เท่านั้นได้เห็นว่าท่านผู้รวบรวมร้อยกรองเรื่องนี้ไว้ในพระสุตตันตปิฎกต้องการจะรักษาเรื่องเก่าที่คนส่วนมากเชื่อถือโดยวิธีนามาเล่าให้เป็นประโยชน์ ในทางตักเตือนให้ทำดีเหมือนอย่างที่มีคำเก่ากล่าวไว้ว่าถึงคนไม่เห็นเทว ด, ดาก็ย่อมเห็นคือแสดงจตุโล ก, กบาลที่เขาเชื่อถือกันอยู่แล้วในทางที่อาจจะเข้าใจเป็นธรรมทิฐานซึ่งเป็นข้อมุ่งหมายโดยตรงถึงจะเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงและจะมาคอยตรวจดูโลกว่าใครทำดีไม่ดีอย่างไรก็ไม่เสียหายกลับจะดีเพราะจะได้เกิดความละอาย กลัวเกรงว่าจตุโลกบาลจะรู้เห็นว่าทำดีหรือไม่ทำดีเป็นอันหนุนให้เกิดหิริโอตตะึ้นได้ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อเสียอีกอาจจะร้ายกว่าเพราะไม่มีที่ละอายำเกรงวินไว้แต่จะมีภูมิธรรในจิตใจดีอยู่แล้วหรือมีที่ละอายำเกรงอย่างอื่นแทนอยู่วันที่ท่านกล่าวว่าจตุโลกบาลมาตรวจดูโลกเดือนหนึ่งมีไม่กี่วัน ดูเหมือนจะน้อยไปแต่คงไม่หมายความว่าตรวจกรรมของคนเฉพาะวันนั้นวันอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยควรเข้าใจว่าตรวจดูรู้ย้อนไปถึงวันอื่นๆในระหว่างที่ไม่ได้ลงมานั้นด้วยตัวของเราเองทุกๆคนนึกย้อนตรวจดูกรรมของตนภายในเจ็ดวันยังจำได้ชนไหนโลกบาลจะไม่รู้กรรมที่ตนเองทำแม้จะลืมไปแล้วโลกบาลก็ต้องรู้ เมื่อเชื่อว่าโรคกบาลมีจริงก็ควรจะเชื่ออย่างนี้ด้วยจึงจะเป็นโรคกบาลที่สมบูรณ์สรุปลงแล้วทำความเข้าใจว่าโรคกบาลมาตรวจตราดูที่จิตใจนี้เองจะเกิดประโยชน์มากตามหลักในการจัดภูมิต่างๆสัตว์เดรัจฉานเป็นอบายภูมิต่ากว่ามนุษย์และสวรรค์พระอาจารย์จึงกล่าวว่าในสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานการเกิดในสวรรค์เกิดโดยอุ ป, ปาติกะกาเนิด อย่างเดียวจึงน่ามีปัญหาว่าพวกนาคซึ่งเป็นบริวารของท้ามหาราชจะจัดว่าเป็นภูมิอะไรนอกจากนี้บริวารของท้ามหาราชจำพวกอื่นเช่นพวกกลุมพันก็มีลักษณะพิกลยักษ์บางพวกก็ดุร้ายเป็นผีเที่ยวสิ่งมนุษย์ก็มีดูต่ําต้อยกว่าภูมนุษย์แต่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนี้ด้วยตามที่กล่าวมานี้ น่าจะเห็นว่าเก็บเอามาจากเรื่องเก่าๆจึงฟังไม่สนิทตามหลักการจัดภูมิต่างๆดังกล่าวสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองชื่อตาวติงสนะัภาณะแปลว่าพบดาวดึงเรียกกันว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของเขาซีเนรุซึ่งอยู่กลางภูเขาบริพันธ์ทั้ง7เป็นแกนกลางของโลกดังกล่าวมาแล้ว นครดาวดึงนี้ท่านกล่าวในคำภีว่าตั้งอยู่ในที่หมื่นโยน์คือน่าจะนับผ่าสวนกลางเพราะมีกล่าวว่าระหว่างทาวารของปราการคือประตูกำแพงเมืองอันเป็นทาวารกลางทั้งสี่ด้านนับได้ด้านละหมื่นโยน์เป็น น, ค, นครคียรีที่มีปราการโดยรอบเหมือนอย่างเมืองโบราณทั้งปวงมีทาวารทั้งหมดพันทาวารประดับไปด้วยสวนและ สัโบกครณีทั้งหลายท่ามกลางนครมีปราสาทชื่อเวชยันเป็นที่ประทับของเท้าสกเทวราชผู้เป็นจอมเทพที่ไทยเราเรียกกันว่าพระอินเวชยันประสาทนี้แพราพราไปด้วยรัตนะทั้งเจคือในอภิธานัปฏีปิกากล่าวรัตนะทั้งเจไว้ว่าทองเงินมุกดามณนี ไผ่ทูนวชิระคือเพชรประพานแต่ในที่อื่นว่าคือมณีไผ่ทูนประพานมุกดาวชิระแก้วผลึกแก้วหุงประดับไปด้วยธงรัตนะต่างๆคือธงแก้วมณีมีคันเป็นทองธงแก้วมุกดามีคันเป็นแก่ประพานธงแก่ประพานมีคันเป็นแก่มุกดาธงรัตนะทั้งเจ็มีคันเป็นรัตนะทั้งเจ็ มีต้นปริชัตะกะสูงใหญ่ภายใต้ต้นนี้มีแท่นศิลาชื่อว่าบรรทุกรมพลคือเหมือนผ้าขนสัตว์สีเหลืองมีสีเหมือนดอกชยพลึกสีคลั่งและสีบัวโรยเป็นพระแท่นที่ประทับของพระอินในเวลาประทับนั่งอ่อนยวบลงไปกึ่งกายในเวลาลุกขึ้นก็กลับเต็มขึ้นมาเหมือนเตียงสปริง มีช้างชื่อเอราวันเป็นพาหนะสําหรับทรงแต่ท่านว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นช้างนี้จึงเป็นเทวบุตรชื่อว่าเอราวันมีหน้าที่คอยเนยรมิตตนเป็นช้างสําหรับทรงของพระอินทร์ในเวลาที่มีพระประสงค์จะเสด็จออกเพื่ออุทยานกีฬาพนานาถึงช้างเทวบุตรจําแลงนี้ว่ามีตะพอง33ามตะพอง สำหรับเทวบุตร33พระองค์รวมทั้งพระอินทร์ซึ่งเป็นสหายบำเพนกุศลร่วมกันมาในสมัยเป็นมนุษย์ตะพองกลางชื่อว่าสุทัศนะเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีมนทป ร, รัตนะคือจะตรงกับคำว่ากูบกระมังมีธงรัตนะในระหว่างในระหว่างปลายสุดห้อยขายพรวน กระดึงหรือกระดิ่งเมื่อต้องลมอ่อนๆโชยพัดก็ดังปานเสียงทิพยสังคีตอันสนอประสานกับเสียงดนตรีมีองค์ห้ากลางมนดบมีบรรลังมณีเป็นที่ประทับของพระอินทร์ตะพองบริวาร น, นอกนี้เป็นที่ประทับของเทพบุตรทั้งหลายผู้บำเพ็นกุศลร่วมกันมาแต่ปางก่อนตะพองทั้ง33นั้นแต่ละตะพองมีเจ็ดงา มีคำพรรณนาถึงสิ่งที่มีอยู่ในงาแต่ละงายิ่งวิจิตพิสดารว่ามีสะโบกกรณีแห่งปฐมชาติชูสร่างไปด้วยดอกและใบซึ่งแต่ละใบเป็นลานฟ้อนราของเทพธิดาท่านนับรักษาจำนวนอย่างละเจ็ดอย่างละเจ็ดอย่างเคร่งครัดนายช่างแกะสลักงาผู้สามารถก็น่าจะแกะสลักงาให้เหมือนอย่างที่พรรณนาไว้ได้โดยยาก ช้างเอราวันส3สามตะพองน่าจะเขียนภาพได้ยากและดูจะรุงรังไม่งดงามจึงมักเขียนย่อลงมาเป็นช้างสามเสียเสียละสองงาซึ่งดูงดงามและเป็นสั ญ, ญลักษณ์พิเศษว่าเป็นช้างทรงของพระอินทร์โดยเฉพาะเห็นภาพก็รู้กันได้โดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีรถชื่อเวชยันเทียมม้าอาชานายที่แอกข้างละพันม้ามีบัลลังก์ที่ประทับปักสเสวตฉัตร กลางกัน้นพร้อมทั้งธงติดประดับอยู่ตามที่คือม้าอาชาไนนั้นแม้ไม่ได้กล่าวว่าเทพบุตรจำแรงแต่เมื่อวางกฎเกณฑ์ลงไปว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์เทระฉานและเมื่อต้องการจะให้มีม้าเทียมรถก็ต้องกล่าวว่าเป็นเทพบุตรจำแรงเช่นเดียวกันและในคัมภีร์รุ่นเก่ากล่าวว่าเทียมม้า1000ส่วนในคัมภีร์รุ่นหลังกล่าวขยายออกว่า เทียมแหข้างละพันจึงรวมเป็นสองพันเมืองนครไตรตรึงคือเรียกในไตรูมิพ ร, ร่่งนี้เบื้องบรุรพทิตมีอุทยานชื่อว่านันทนวันและจุลละนันทนวันมีสระโบกรณีชื่อนันธาและจุลนันธาแท่ฝั่งสระโบกรณีนั้นมีแผ่นหินดาดชื่อว่านันทาและ จุลนันธาเบื้องทักษิณทิตมีอุทยานชื่อปารุสกวันมีพัทราโบกขรณีและสุพัทาโบกขรณีมีแผ่นหินดาชื่อว่าพัทราและสุภัราปชิมทิตมีอุทยานชื่อจิตรดาวันและจุลจิตรดาวันมีสระจิตราโบกขรณีและจุลจิตจตราโบกขรนี มีแผ่นหินดาดชื่อว่าจิตราและจุลจิตราเบื้องอุตรทิศมีอุทยานชื่อมิศกวันสะธรรมาบกกรณีและสะสุธ ร, รมาบกครณีมีแผ่นหินดาดชื่อธรรมาและสุธรรมาเบื้องอีสานทิศมีอุทยานชื่อมหาวันและปุนทริกกวันในปุณณทริกกะ วโนทยานั้นมีต้นปาริชัตตกะซึ่งภายใต้มีแท่นปันทุกํมพลศิลาดังกล่าวแล้วถัดต้นปาริชัตตกะนั้นออกไปมีศาลาใหญ่ชื่อสุธรรมมาเป็นเทวสภาที่ประชุมสภาเทวดาเบื้องทิศอาคเนมีพระเจดีทองชื่อจุลามณีงามรุ่งเรืองด้วยแก้วอินทนิน กลางองค์เป็นทองจนถึงยอดประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงประดับด้วยธงล้อมรอบวนะป่าหรืออุทยานสวนพระอินนครดาวดึงในอภิธานนับปทีปิกาว่ามีสี่คือนันทนวันมิศกรวรรณจิตละดาวันหรือจิตละดาวัน ภารุษกวันแต่ในที่อื่นเรียกปารุษกวันแทนภารุษกวันก็มีในไตรภูมิพระร่วงเพิ่มมหาวันและปุญธริกวันในทิศอาคเนต้นไม้ที่ใหญ่มีอายุยืนนานตลอดกับกันตามคติโบราณว่ามีอยู่เจ็ดต้นคือ 1. ชมพูคือหมายว่าประจําชมพูทวีปสองสิมพลีคือไม้งิ้ว ของพวกครุษ 3. กระธรรมพะคือไม้กระทุ่มประจำอมระโคยานทวีป 4. กับปรุขะคือกัลประพฤกประจำอุตรกุรุทวีป 5. สิรีสะคือไม้ตึกประจำปุบบะวิเดวหทวีป 6. ปาริฉัตตกะหรือปาริชาตคือไม้ ปริชาติทิพย์ประจําดาวดึง7จิตปาตาลีคือไม้แครอยทิพย์ประจําบอสูรซึ่งเป็นบุ ป, ปรพเทศของสวรรค์ชั้นดาวดึง